สิ่งจำเป็นเพราะว่าปัญญาจะเกิดเพราะการประกอบด้วยการได้ยินได้ฟังการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติดังที่เราทราบกันดีบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบก็ได้มาที่เกิดของปัญญาสุตตมยปัญญาการฟังอย่างสมัยพระพุทธเจ้า มากก็ฟังจากพระพุทธเจ้าพุทธสาวกมาฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะการฟังแล้วก็บรรลุธรรมบางท่านก็เป็นอหรหันต์มีความสามารถสูงมีสติปัญญาสามารถก็หมดทุกข์บางท่านก็ฟังแล้วก็เลื่อมใสศรัาทธาตั้งมัน่นอย่นี้เป็นต้นเทวสุตตะมัยปัญญาจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิด คิดหาเหตุหาผลค้นคว้าแบบนักวิทยาศาสตร์ทุกท่านทุกคน่ะคิดเรื่องจะออกจากทุกข์ไม่อยากจะทุกข์ก็คิดหาทางออกแต่ว่าจินตามัยปัญญามันจะเกิดความคิดขึ้นมาและเกิดความปรงตัวหาเหตุหาผลโอ้อย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกอย่างนี้ไม่เข้าท่าอย่างนี้น่าเอาหน้าทำเกิดความคิดก็เกิดปัญญาตั้งมั่น มาอย่างนี้โอ้เป็นลูกเป็นนามมันคิดขึ้นมาแล้วก็ลงตัวมันเป็นสูตรตายตัวสำเร็จรูปหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอย่างนี้สองบวกสองเป็นสี่อย่างนี้มันไม่ต้องถกต้องเถียงกันแล้วมันลงตัวโอ้ร่างกายของเราทุกท่านทุกคนนี้มันเป็นลูกเป็นนามเนี่อันเดียวกันลงตัวแล้วเป็นลักษณะหมายถึงว่ามันเกิดจากความคิดหาเหตุหาผลก็ลงตัว แต่บางคนคิดไม่ได้เหตุได้ผลปวดหัวแทบเป็นบ้าคิดมากนีนก็เกินไปมันเกินไปนะคิดได้เหตุได้ผลไม่ปวดหัวเลยยิงได้เหตุได้ผลหลงตัวก็สบายใจมันเข้าใจได้ข้อสุดท้ายก็คือภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเพราะการภาวนาภาวนาคือทําให้มีให้เป็นขึ้น ภาวะที่ความมีความเป็นทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่างที่เราประกอบด้วยการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาสติตามหลักวิชาการก็บอกว่าความระลึกสัมปชัญญะคือความรู้สึกสติสัมปชัญญะขาดกันไม่ได้เหมือนกับเราทานอาหารนี่แหละบางทีอาจจะเรียกว่าทานข้าวคนไทยภาคกลางเรียกว่าทานข้าวกันรับประทานอาหาร คนอิสานแล้วว่ากินข้าวมากินข้าวกันเถอะลุงเธอะป้าอ้าอ้าวนูนน้องพี่น้องทั้งหลายมาทานข้าวกันเถอะมากินข้าวกันเถอะนะไม่ได้บอกทั้งหมดนะว่าอ้ามากินข้าวกับลาบกับก้อยกับอะไรก็ไม่ได้ต้องอธิบายเนีย่ยที่พวกเราพูดกันว่ามาเจริญสติเห็นไหมมาจเจริญสติกันไหมจเจริญวิปัสสนากันเถอะชักชวนกันมาจเจริญวิปัสสนาจเจริญกรรมาฐาน บางแห่งเรียกว่ากรรมฐานควาหมายถึงสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเหมือนกัแเราเรียกกันทานอาหารนั่น่ะจะเป็นอาหารจีนอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารใครก็ตามสมมติพูดดังนั้นพวกเรามาอยู่ที่นี่แล้วก็มุ่งหวังตั้งใจเป็นอย่างเดียวกันกจะค้นหาเหตุหาผลให้มันลงตัวให้มันหมดปัญหาให้มันหายสงสยัยแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดหายสงสัยได้เข้าใจแจ่มแจ้ง ทั้งหมดทั้งพวงก็ต้องผ่านเส้นทางผ่านอุปสรรคอุปสรรคก็คื อ, อเช่นว่าความขี้เกียจความม่วงนอนความฟุ้งซ่านความสงสัยความไม่มั่นใจความหมงุดหีิดนุ่งงานตามหลักวิชาเรียกว่านิวรณ์นิวรธรรม ความใข่ความยินดีความไม่อยากเอาไม่อยากได้ในสิ่งที่ควรได้ควรเอาควรเป็นหลงไหลในวัตถุเรียกว่ากามกามมชันทะกามนี่หมายถึงความใข่ในสิ่งที่เป็นวัตถุก็เรียกวัตถุกามวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความใข้ความอยากความยึดชาวบ้านอาจจะหมายถึงว่าเพศตรงกันข้ามอย่างเดียว คาว่ากามนั่นนะ่ะแต่ทางวัดนักปฏิบัติธรรมต้องหมายถึงวัตถุอันเป็นที่ตั้งของกามของความใคร่ความอยากจะเป็นวัตถุในทางรูปธปรรมก็ดีวัตถุทางรูปธรรมก็อย่างเสือ้อผ้าอาภรณ์ที่นอนหมอนมุง้งอะไรที่เป็นวัตถุนั่นนะ่ะที่มันดีๆเราอยากจะได้อยากจะยึดจยากจะเอาอยากจะเป็นแต่มันไม่ได้ไม่เอาไม่เป็นมันก็ต้องเป็นทุกข์คำว่ากามเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ แต่ว่าธรรมกาโมภาวังโหติอันนั้นเป็นเป็นด้านนามธรรมผู้ใไขในธรรมก็ว่ากาโมกามะมือนกันแต่ไขในธรรมก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ไขในทางโลกทางวัตถุทางอที่จะให้เกิดทุกข์ท่านเรียกว่าความไขมือนกันไขในธรรมไ่ในกามไขในสิ่งที่มันดีก็เกิดความ กติหรือรุนในการปฏิบัติถ้าชอบทมก็เป็นไปนในทางเจริญหรือ ว, ว่ากามมัชัานทะความใครในกรามบางท่านบางคนปฏิบัติแล้วมันมันรุนแรงบางท่านบางคนนะนะเมื่อกามมันรุนแรงันจะเป็นยังไงอาตามาเคยสังเกตเหมือนกันว่าเอช้างมันตกมันเพราะอะไรก็ถามเขาที่เขาเลี้ยงช้างกัน เพรเหตุผลเสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้มันเกิดมันไม่ได้ออกแรงมากแล้วก็มันอ้วนเกินไปแล้วก็พลังของมันมากเกินไปก็เรียกว่าช้างตกมันแต่จะทำอย่างไงให้มันหายเขาก็ปล่อยเข้าฝูงเข้าโค้งใหญ่หรือบางทีก็ทรมานมันเลยจะให้มันคลายความเครียดในในเรื่องความกดดันนะ่ะปล่อยเข้าฝูงใหญ่แล้วก็ในที่สุดมันก็ ก็ลดอ่ะบางทีเขาก็ใส่โซ่ล่ามไว้ทรมานมันไม่ให้อาหารมันในที่สุดมันก็หายคนกับสัตว์เขาไม่ต่างกันเลยนักปฏิบัติธรรมบางท่านบางคนก็หรือไม่ได้ปฏิบัติก็ตามล่ะมันมีแรงกดดันทางไหนมากขึ้นมากขึ้นมันไม่มีทางออกก็ เ, เกิดปฏิกิริยาเกิดการทําลายเกิดการต่อต้านเกิดกัน ดึงเทียดมากมันจะบ้ามันจะคลั่งนี่ไม่ต่างอะไรก็ช้างตกมันเป็นกามเป็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะอแต่ถ้ามีวิธีออกอย่างดีบางทีแล้วก็ลดเรื่องอาหารการกินอะไรต่ออะไรลงมันก็นลดแรงกดดันตัวนั้นลงมันก็บำวางตัวนี้ก็แรงบางทีก็ทําให้เสียการปฏิบัติเลยนี่เลยเปิดเพลิงเลยความดุลแรงในเรื่องกามนี่ก็ เสี่ยงอันตรายแต่ถ้าใครรู้จักวิธีทางที่จะลดลาวาศอกเพราะพุทธเจ้าก็เคยบัญญัติเรื่องภิกษุณีไม่ให้ฉันสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเรื่องกามมากหลายขอ้อ <hein> <Watching> เพราะว่าจะลดความกดดันตดยนั้นลงปัญหาจะน้อยลงเหละนี้เป็นต้นดังนั้นกรารมมาันทะ อความไข้ความอยากความยึดในกามนี่ถ้ามาเห็นโทษมันก็ออกจากมันไม่ได้ถ้าเห็นโทษมันแล้วก็เล่งธรรมดาธรรมดาเป็นสัญชาตญาณมันเ้าไม่มีพิษมีภัยอะไรมากข้อต่อมาก็พยาบาทความปองร้ายความไม่เข้าใจความโกรธนั่นแหละปฏิฆะโทสะอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่เข้าท่าทําไปก็งดหงิดฟุ้งซ่าน โกรธคนนั่นโกรธคนนี่เลยนะมันก็ปฏิบัติไม่ลงในที่สุดก็คือแรงเกิดแรงต่อต้านกับพระกับอาจารย์กับหลวงพี่หลวงตากับเพื่อนกับฝูงต่อต้า น, นเกิดโทสะเกิดพยาบาลเป็นอย่างนั้นบางคนมาปฏิบัติ ด, ดีๆอยู่ไม่ได้ก็ทะเลาะกันหนีไปก็มีกูไม่มาอีกแล้ววัดนี้กูไม่เอาอีกแล้วอย่างนี้ทะเลาะกัน ไปจำํำศีลจำธรรมในวัดก็เหมือนกันบางสีบางแห่งหรอกแต่ถ้ามีศีลมีธรรมดีมันก็ไม่เป็นไรให้ใครกันมันก็จบ mm hmm. ไม่พยาบาทไม่ฟองร้ายกันมันก็จบมันก็แล้วไปเพราะสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานก็ดับไปแต่ที่มันเกิดบ่อยเกิดบ่อยเกิดแล้วเกิดอีกตั้งแล้วตั้งอีกอย่นั้นนะมันก็เลยนานหน่อยบางคนก็ผูกพยาบาทมากนาน mm hmm. ลักษณะ ถ้าแก้ได้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นกุปสัตคนก็ง่ายขึ้นต่อการปฏิบัติเรียกว่าพยาบาทะหรือพยาบาท อ, อุทจกุกุ จ, จักทีนมิทะความง่วงนอนทุกคนก็ต้องนอนทุกคนก็ต้องกินทุกคนก็ต้องถ่าย ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นต้องการพักผ่อนหลับนอนขับถ่ายเป็นสัญชาตญาณอยู่แล้วการกินการนอนการถ่ายเทการระบายออกก็ต้องมีไม่ว่าทินามิถะข้อหนึ่งความง่วงปฏิบัติไปบางทีมันก็สงบนะใจมันก็หายไปบางทีหายแวบไปเลย มันสงบแล้วหายแวกไปเลยนี้ยมันหายไปได้ยังไงเพราเรานั่งอยู่ที่ไหนไม่รู้ความคิก็ขาดช่วงอ่ะความรู้สึกความคิดความรู้สึกมันขาดช่วงก็หายแวกไปก็สัพนงบางทีบางทีก็นั่งนิ่งอยู่นะจะหายแว๊บไปเรความง่วงเหงาหา่นอนก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาหาวิธีแก้เทคนิคการแก้ไขเราก็ทราบกัน ว่าทุกคนก็ศึกษาอหานมาเรียนรู้มารับคําชี้แนะมาบางทีเราก็แก้ของเราเองความง่วงนอนอยู่บ้านเราบางทีไม่ได้ปฏิบัติหรอกอง่วงนอนเอ๊ะหางานทําักหน่อยไวย้ตอนนี้กลางวันก็ยังไม่หลับหรอกถ้าไปหลับนอนงานจะไม่เสร็จหางานหรือว่ามันมีงานอยู่แล้วต้องทําทําๆก็เลยผ่านเลยไม่ง่วงเลยเสร็จงานแล้วว่าอืมกูจะนอนสักหน่อยนึอยอยงไว้กลับไปได้นอนแล้ว บางทีก็เพื่อนบ้านมาชวนไปนั่นไปนี่อเขาไปกระเขาเองแหละลักษณะที่มันนนับางคนก็หาของเปรี้ยวๆมากินมาทานกันเพื่ออะไรเพื่อให้มันชดชื่นขึ้นมาบางคนก็ง่วงวง่วง ง, งุ่นงิดงุน ง, ง, ง, งานไว้อาบน้ำหน่อยไว้มันก็มีทางออกเยอะแยะเลยเราแก้มาแล้วตลอดแต่เราไม่เห็นมันบางทีมาปฏิบัติแล้วเลยเอ๊มันสบายดีไว้ก็หลบมุมอยู่เลย เขาไม่ได้อยู่บ้านกูนีว่ว่าไม่ได้มีงานอะไรต้องรับผิดชอบเว้ยเนี่ยก็เลยหาหลบ ม, มุมหาที่พักพิงเอามันก็เลยอพวกนิวรดปวกอะไรครอบน้ำแล้วก็เลยในที่สุดก็เลยเสียนิสัยหลายคนก็บอกโอ้บวชนี่สบายเนาะเนี่ยพ่าบวชนี่สบายเมื่อวานก็โยมผู้หญิงคนหนึ่งมาคุยด้วยบวชนี่สบายเนี่หลวงพ่ออเห็นไหมเขาพยอยากจะ บ, บวช แต่ไม่มีโอกาสบวชก็เลยบอกว่ามันก็สบายบ้างไม่สบายบ้างเหละโยม <c oughs> โยมก็ลองบวชโดยสักปีสองปีดูสิมันจะดีไหมจะแม่จะมาเป็นเด็กก็เคยโดนแม่ว่าเหมือนกันนะอืมไปบวชกินข้าวสุกปลาตาย้ปลาเป็นๆมันก็กินไปได้มันก็ต้องตายต้องสุกซะก่อนถึงจะกินได้ข้าวก็ดีข้าวดิบๆมักินไปได้ ไปบวชกินข้าวสุกปลาตายมันก็ถูกอยู่หรอกบางคนมาบวชแล้วสบายกินของที่ไม่ต้องทำการทำงานไม่ต้องทำสวนทำไรมันก็ถูกอีกเลยนะแต่บวชแล้วต้องทำอะไรบ้างตอนนี้เขาไม่รู้ว่าพระต้องทำอะไรบ้างเขาเห็นแต่แค่ออกบินทบาทหมากะยธาสัตตีฉันอิ่แล้วก็ไม่เห็นอะไรเข้าห้องเข้าหับ อย่างที่เขาทราบกันดีในเมืองไทยเช้านเช้าเรียนชั้นเพทนนอนบ่ายพักผ่อนคําจํำวัดนะ่ะมันก็เห็นแค่นั้นน่ะเขามองพระในแค่นั้นแค่นั้นเองแต่ส่วนที่ลึกๆเข้าไปเขามาเห็นพระผ้าจะต้องนั่งกรรมาฐานจเจริญสติจเจริญวิปัสสนาศึกษาธรรมะอย่างไรต้องสู้กับความกดดันสู้กับกิเลสต้องตรเองอย่างไงเขาไม่รู้ น, นี่เป็นเรื่องธรมรมดา น่ะความสงสัยลังเลความโงมดีงงงานฟุงรร้งซ่านลำคาญจะหายได้ก็เพราะเราหาเหตุหาผลมันได้เหตุได้ผลแล้วก็จบเลยทําไมคนนอนไม่หลับหลายๆคนบอกนอนไม่หลับเมื่อวานก็เจอโยมอยากจะหลับแต่มันหลับไม่ลงมันคิดไปเรื่อยฟุ้งซ่านไปเรื่อยทําไมต้องนอนไม่หลับล่ะเพราะอะไรหาคําตอบได้ง่ายนิดเดียวเพราะมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้น แตถ้าเราง่วงนอนหาเรื่องมาคิดสึงเรื่องหนึ่งสองเรื่องเลยสิเด่นเลยเจ๋วเลยไม่ง่วงคิดถึงพระพุทธเจ้าดูก็ได้พระพุทธเจ้าสมัยนั้นจะเป็นยังไงเนาะจะเทศเรื่องอะไรหนอจะนั่งอยู่ยังไงจะไปยังไงจะทานอาหารยังไงเอาลองคิดเรื่องพระพุทธเจ้าถึงเรื่องหนึ่งหรือเรื่องสาวกคงเลวหนึ่งที่เป็นตัวอย่างเด่นเด่นตอนที่เราง่วงอ่ะเมื่อมันจบเราก็เลิกอกไม่ใช่คิดไปเรื่อยเปิดเพิงก็บ้าพอดี การปฏิบัติก็ปฏิบัติทิดตัวเราทุกคนไม่เสรปฏิบัติที่ผ้าขาวผ้าเหลืองผมสั้นผมยาวหรือปฏิบัติที่พอใจสิตดกปฏิบัติที่วัดปฏิบัติในธรรมในป่าปฏิบัติที่กายก้นศอกยาววาหนาคืบที่มีสัญญามีใจปฏิบัติที่นี่ เป็นหญิงก็ได้ชายก็ดีมีความรู้ก็ตามไม่มีความรู้ก็ตามจะเรียนพระไตรปิฎกจกมาก็ตามไม่ได้อ่านพระไตรปิฎ ก, กข้อสักแถวสักหน้าเลยก็ตามแต่ถ้าพูดกันรู้เรื่องอยู่ก็ปฏิบัติได้ถ้าหูดีพูดกันได้ยินได้เข้าใจก็ปฏิบัติได้ถ้าหูห่วกปฏิบัติไม่ได้เลย คนหูหนวกหรืภาษาไม่ได้ไดแม่จะภาษาคนหูหนวกด้วยกันสอนมันไม่เข้าแต่สุภาษิตบทหนึ่งเคขาว่าคนที่หูหนวกที่สุดก็คือคนไม่ฟังคนไม่ฟังนั่นแหละคือคนหูหนวกที่สุดไม่ได้ยินทำไมเป็นเด็กก็เคยโดนลูกแม่เขาพูดเราฟังวิทยุฟังละครเขาเรียกไม่ได้ยิน เขาก็โมโหโมโหเขาก็ด่าคือหูหนวกหรือยังไงคุเรียกต้อไม่ได้ยินก็ไม่รู้หนวกแต่ีูแต่ฟังอย่างอื่นอยู่ไม่ได้ยินบางทีเราเล่นน้ําขึ้นภาษาอีสานว่าน้ําแจ้งเล่นทั้งลอยทั้งสนุกสนานกันผู้ใหญ่เรียกไม่ได้ยินพ่อแม่มาเรียกไม่ได้ยินบี่ทีมาเรียกก็ไม่สน พวกนั้มันสนุกเพาอยู่ไนเล่นกันอย่างไรทั้งวันทั้งคืนเล่นกันเด็กเล่นน้ำเล่นดังสนินก็ได้นะเด็นงาแงนี่เล่นน้ำแก่งกันส น, นุกดีนี้นั้นหละคนไม่ได้ยินคือคนหูหนวกคนหูหนวกคือคือคนไม่ได้ยินท่านถึงว่าให้ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจฟังมันจะได้ยินเขาก็มีหูไม่ตั้งใจดูก็ไม่เห็นเหมือนกับไม่มีตา ไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจคิดมันก็ไม่รู้จะเป็นมันก็ไม่ได้ทำบางทีเรากินข้าวบางทีเราคิดเอี่ยงอื่นเพลินเพลินไม่ได้กูกินข้าวหรือกินข้าวกับเพื่อนกินอะไรตัวได้น่ะมันนั่นคืไม่ได้กินมันมันลอยไปเรื่อยๆมั่นก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้ทําอะไรบางทีสวดมนต์สวดรลอยๆงงีนั่นก็ไม่ได้สวดคือมันไม่ไม่เต็มอ่ะ ที่เราตรวจไปมัิดไปทีก็ผิด้งถูกมากทีมันจะจบแล้วเอนี่มันมาได้ยังไงจะจบแล้วเป็นอย่างนั้นมันไหลไปเรื่อยๆโดยอัตโนมัติดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการเริ่มต้นที่กายที่ใจของเราเดินยืนนั่งนอนคู่เหยียอเคลื่อนไหวเป็นสนามเป็นสถานที่เป็นเวทีเป็นแหล่งปฏิบัติเป็นชุมชนปฏิบัติเป็นจุดเริ่ม หลายหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าจะไปเริ่องตรงไหนนักวิชาการก็บอกไปเริ่อที่ปริยัติถ้าไม่เรียนจะปฏิบัติได้ยังไงถ้าไม่รู้ข้อธรรมะจะปฏิบัติได้ยังไงอย่างนั้นก็ต้องรู้จักอริยสัจ ร, รู้จักสติปัฏฐานสี่แหลนะเข้าไปอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นล่ะทุกคิดกันอย่างนั้นแต่ทีนี้ เราก็ไม่ได้ปฏิเสธการเรียนไม่ได้ปฏิเสธการเรียนมันต้องเรียนที่ตาด้วยหู ด, ด้วยจมูกกายใจทางลิ้น ท, ทั้งอายตนาทั้งหกนี่คือการเรียนเรียนจากครูทั้งหกแต่เอาจริงอาจารย์กับมันไม่ได้ครูทั้งหกในใจตำราว่าอย่างนั้นนะครูทั้งหกในสอนแบบทั้งนิชชาทิฏฐิ 4, ทั้งสัมมาทิฏฐิปนเปกันไปนหมดเลยแต่เราจะผ่านอาจารย์ทั้งหกเข้าไปอาจารย์ทั้งหกเนี่ย พราะพุทธเจ้าก็ถูกอาจารย์หลายอาจารย์หลายปูสอนและหลายวิธีการปฏิบัติเห็นไหมแต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่เอาแต่เป็นการเรียนผ่านเข้าไปจนถึงพุทธความเป็นพุทธก็อยู่ในนี่แหละอยู่ในอาจารย์ทั้งหกนี่แหละมรืออาจารย์ตาอาจารย์หูอาจารย์ชมูอาจารย์ลิ้นอาจารย์กายอาจารย์ใจทั้งหมดนี้เป็นอาจารย์ของเรา สิ่งที่เราได้ยินได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจนั่นแหะคืออาจารย์ของเราคือครูของเราจะเชื่อมันทั้งหมดไม่ได้อน่าโบราณว่านะติดปากว่าไม่เท่าตาเห็นติดตาเห็นไม่เท่ามือคําติดมือคําไม่เท่าได้เคี้ยวได้ืกินได้ลิ้มรสได้กินเข้าไปจริงๆแล้วก็อิ่มจริงๆเขาว่าอาหารดีอาหารอร่อยถ้าเราไม่ได้ชินไม่ได้ชิมไม่ได้ลิ้มไม่ได้รสมันก็ไม่รู้รส ว่าบอกมะดีหรือมรรคผลนิพพานมีคุณค่ามีประโยชน์ปฏิบัติแล้วเกิดความเย็นเย็นเป็นสุขหมดทิ้งปัญหาแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราเข้าไม่ถึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงมันสงบยังไงมันดียังไงแต่ถ้ารู้ก็เข้าใจแล้วก็ดีแหละโอ้ธรรมะทำให้เย็นทําให้สนุกทําให้สบายทําให้มีความสุขทําให้มีความอิสระ ไม่เดือดรอนี่ธรรมะเนี่ยมันอารมหายใจหรืออากาศบริสุทธิ์คืออาหารที่มีคุณค่าพอาทานเข้าไปก็สดชื่นหายใจเข้าไปก็อิ่มพอดอิ่มพุงอิ่มกายอิ่มใจในคนเราอยู่ได้เพราะอาหารเพราะอากาศเพราะอารมณ์เพราะอาสมเพราะอาพร อาหารคือสิ่งถ้าเรากินเข้าไปในปากก็ดีสิ่งกินเข้าไปทางตาทางหูก็ดีไปอาหารใจเข้ามาทางตาว่าอาหารตาตัวร้านอาหารใหญ่ๆก็จะมีเครื่องเล่นกันเยอะเขาไปนั่งฟุบของคนก็ไปเปิดเพลงที่ก็สั่งอาหารอาหารหูเพราะเข้าทางหูอาหารตาเข้าทางตาอาหารปากอาหารกายเขาเข้าทางปาก อาหารกายก็คือภัรษะด้วยนะพัรษาอาหารอาหารคือพัรษะอย่างความอบอุ่นอย่างความเย็นความร้อนเนี่ยเป็นอาหารเราไปผึ่งแดดแจ้งแดดันเข้ามานอุ่นเลยจะเสียคนสดชื่นรู้สมีชีวิตชีวาแต่ถ้ามันหนาวเกินไปแล้วก็หดตัวนั้นการปฏิบัติธรรมเขาควรจะให้เข้าใจผ่านเข้าไปทั้งหมด จะเชื่อตาทั้งหมดก็ไม่ได้จะบทศึกธามันทั้งหมดก็ไม่ได้อเหมือนกับตาราเนี่นะจะอ่านทั้งหมดเชื่อได้ทั้งหมดก็ไม่ได้ถึงว่าใจผิดดวกก็เถอะอ่านไปจนทั้งหมดถูกต้องทั้งหมดก็ไม่ได้กิดทั้งหมดละก็ไม่ใช่ท่านอุปมาเหมือนกับต้นไม้มีมีสเก็ตมีเปลือกของมันมีกับที่ของมันแล้วก็มีแก่นของมันมียอดมีใบมีรากรากล่าวของมัน ขอยักแขนงของมันแต่ทุกส่วนมันก็ประกอบพันทั้งตัวเราก็เหมือนกันจะจริงทั้งหมดก็ไม่ใช่จะปลอมทั้งหมดหรือก็ไม่เสริมมันมีทั้งของจริงของปลอมอยู่ในกายของเราเนี่ยสมมตินะสมมุติเป็นสิ่งที่ไม่จริงแต่เราต้องอาศัยวัตถกเป็นที่ตั้งถ้าเราไม่ว่ารูปล่างเราก็วัดวัดวัดวัตถุ ทั้งหมดเนี่ยวัตถุทั้งผมขนเล็บฟันอย่างเนื้อเอ็นกระดูกเป็นวัตถุบองชนิ่ง ท, ที่รวมยอดวัตถุก็ต้องสมมติอีถึงจะได้สัดได้ส่วนชัดเจนนี่อะไรอ่าตัวัตถุตัเนี้ยมันสัมผัสได้เนี่ยเป็นอะไรผมสมมุตินะแต่ว่าผมเนะีสมมติสมมุติว่ามือสมมุติว่าหูสมมุติว่าตายอะไรบนาง ส ม, มุดก็มีปรามัดในตัวนั่นแหะสมมุติที่มีปรามัติสมมุดติสัจจะจริงโดยสมมุติแต่ชื่อของเราเนี่เปลี่ยนได้นะแต่พวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนหรอกก็เปลี่ยนบ้างนิดหน่อยผมหงอผมแดงผมขาวผมชีทองลักษณะของมันหรืออาการของมันสีสันของมั น, น, มนเปลี่ยนไป แต่สัมผัสหรื อ, อวัตถุตอนนั้นไม่ได้เปลี่ยนในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะรู้สมมติบ้างเข้าใจสมมุติเข้าใจปรมัตดของจริงเรื่องแรกนะเบื้องต้นสําหรับคนใหม่นี่ก็ต้องปฏิบัติเคลื่อนไหวนี่แหละแต่สร้างจังหวะยกมือก็ดีหรือจะไม่สร้างจังหวะคว่ำ ม, มือง่ายมือสัมผัสคลึง น, นิ้วมืออย่างนี้ก็ได้เคลื่อนไหวเป็นเสียงล่อใจให้มันอยู่รวมตัว มันไม่ไปอดีตอนาคตนะทำแค่นี้แหละนะครับผูกช้างโดยใยญ่แรงมุมทำไมใยมะแรงมุมเล็กๆจะไปผูช้างตัวใหญ่ๆได้ยังไงเนี่ยไอ้กิเลสเนี่ยมันตัวใหญ่ยิ่งกว่าช้างอีกเมื่อเรามีสติร่อมันเล่นมันในที่สุดมันก็อยู่มัดมันไงนะไปไม่ได้แล้วมันไปถึงคิดไปถึงมึงโกรธเขาสิไม่มึงไม่โกรธเลยนี่มึงไม่ไปแต่โกรธเขาเพราะมันร่อมันดุมันเล่ได้มันถูกขูกมัดเลยละ เนี S <S ่ยเนี๋ยเทคนิคนะอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีดเทคโนโลยีจุดิเฉลยมีความโกรธลถหลงหยุดมันได้มอนกับเบรกรดรดเบรกรถไฟมันก็เบรคมันก็อยู่ถ้ารถไฟไม่มีเบรคมันก็ไปหรือเ่อยๆเของมาแค่ผ่อนเครื่องเอาสมัยก่อนนะเรถไฟเบรกไม่ได้ต้องผ่อนเครื่องเอาแต่เข้าสถานีก็ผ่อนเครื่องมันกับลดเบรกไม่ดีแล้วก็ผ่อนน้ำมัน เขาจะเบรกที่ข้างหน้าแล้วลิกไปจะรอลงก็จุดได้สมัยนี้มันทันสมัยทันยุคของหนักๆก็ไม่ใช่คนยกใช้เทคโนโลยีใช้พลังงานยกพลังขัฟ้ายกมันก็ยกได้เป็นหลายสิบตันดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็เป็นเทคโนโลยีกันหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อเทียนว่าวนะหลวงพ่อเทียนว่าคนเราสามสิบสี่สิบกิโล แล้วความคิดมันยกไปตั้งที่นั่นก็ตั้งที่นี่ห้านสะิบกสิบกิโเป็นสองร้อยสามรอยกิโลปดี๋ยวิดแปบมันไปเลยคิดมันดันขึ้นมาข้างล่างส่มติว่านั่งแล้วมันปวดปวดขานะนั่งทับขาแล้วปวดขานานเข้ามาันก็ติดติดติ ด, ตดขึ้นมาเปลี่ยนท่านั่งก็ดีนะจะเดินไปที่นั่นที่นี่ก่อนเข้าห้องน้ำก่อนรู้สึกมันหนักหนัก ระกกดดังขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปนะครับเปลี่ย <c> น <oughs> เปลี่ยนแล้วก็ลุกไปนั่นคือความคิดที่มันยกเราไปตั้งที่นั่นไปตั้งที่นี่หลวงพ่อเทียนบอกว่าความคิดมันมันมันคิดสั่งงานแล้วมันไปแล้วมันดับแล้วแล้วกายเคลื่อนไหวตามมาันทีหลังท่านอุปมาว่าเหมือนกับรถยนต์มันวิ่งผ่านถนนแล้วมีใบตอง เยอะๆใบตองแห้งแล้วนะเลี้ยวลาดจะทางถนนปฏิเดี๋รถเลี้ยงไปพุ๊บรถมันผ่านไปก่อนแล้วไอพวกใบไม้ใบตองนี่เดียววันเลยชั้นเดียวกันความคิดที่มันคิดขึ้นมาแล้วการกระทํามันจะตามไปคิดบ่อยๆคิดมากๆการกระทําก็เกิดตามไปแต่บางที่มันก็ตามไม่มันไม่ตามเพราะอะไรเพราะว่ารถมันยิ่งค่อย มันไปค่อยๆไม่ตองก็ไม่ปิวเพราะลมไม่แรงความคิดบางอย่างมันลึกๆการเคลื่อนไหวก็เลยไม่ตามมันคิดว่าจะไปก็ไม่ไปมันนิ่งแล้วจะเข้าห้องน้ำก็ไม่เข้าเรนี้แหละ <c oughs> มันไปนิ่งๆไปหนักๆมันช้างมันไปช้างเดินป่าเนี่ยมันนิ่มเสียงไม่ค่อยมีนะถ้าไม่ไปเหยียบของหนักๆแข้งๆไม่ได้ยินเสียงเคยเป็นเด็กเลี้ยงไฟใช่ไหม ก่อนนะก็ไปยิงนกตกปา่าก็ว่ากันไปเข้าปา่าเข้าหาเห็ดหาอะไรก็บ้ า, าเลยไอช้างที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยเขาปล่อยเข้าป่าห า, า, ากินหญ้ากินใบไผ่ไปแล้วก็ไม่รู้แหละเขาไปไปมามาม า, มาไปไปเอ้ยเป็นไงนี่ยก็าเกาะแกะกับข้างหนงาางา้าอะไรอ่ะมองไปข้างหน้าไม่ขี่วาเองช้างใหญ่กําลังยืนอยู่เด็กทุกคนเนี่ย เห็นช้างแล้วกลัวว่ามันจะกระชือพมันจะทําลายเราทํา้ายเราก็รีบยิ่งหนีกันนดังนั้นบางทีมันเดินไปมันเดินอย่างนิ่มๆจะมาเลยคิดถึงคําโบราณว่าเมื่อปฏิบัติทำเข้าใจทำเมื่อเริ่มต้นที่ถูกต้องมันค่อยเปลี่ยนค่อยไปไปเหมือนช้างย่างเหมือนแมวเห็นไหมช้างมันไปมันมันไม่เจ็บใบตองกุกขบกุกขบไปนะมันยกข้าวสูงๆแล้วเหยียบลงตรงๆ แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็เหยียบลงวันที่เราเรียนกรรมฐานหนอนอน่ะยกขาขึ้นแล้วก็ส่งไปนิดหนึ่งเคลื่อนไปแล้วก็เหยียบลงมันไม่ใช่เตะไปมันกับเด็กวิ่งไปตามถนนนะวิ่งปุบปปุบับไปมันเดินยกทั้งสูงทัเ้เหยียบกระเหยบมันเลยไม่ค่อยมีเสียงดังดังนั้นการปฏิบัติธรรมมันมันเป็นลักษณะที่ไปอย่างตัวเบา สร้างสถิต อ, อย่างเบาๆค่อยๆแต่บางคนนสิสัยรุนแรงก็ท่าสร้างชั่งหวะแบบปุบปับปุบปับปุบปับปุบ ป, บ ป, บ ป, บปับที่จะหลุดมนรุนแรงอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนิสัยใจร้อนก็ต้องทาอย่างนั้นเมื่อใจเย็นจะให้ทําอย่างร้อนไม่ได้คนใจเย็นจะค่อยเป็นค่อยไปคนใจร้อนจะวิ่งเต้นเราส่วนมนักชั้นหลังค่อยมาเป็นนะ่ะ อาจมาก็ไม่รู้โชคดีโชคร้ายยังไงที่มาเจอหลวงพ่อเทียนก็มันถูกเจริตพอดีเป็นคนเฉยชาเป็นคนค่อยเป็นเข้าไปไนะมีนิสัยอยู่ในสมัยเป็นเด็กก็มีนิสัยอยู่พอที้มาเจอลักษณะท่าทีอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งมันมั น, มนกระหายหิวมาแล้วมันไม่มีทางออกอยากจะรอดเอาไปจากความทุกขา น, นี้ พองตู้ตัวนี้ภูเขาใหญ่สามลูกที่มันทับกกอย่างนีเมื่อมาเจอวิธีการปฏิบัติอย่างนี้อาตมาก็ก็ทำด้วยความจงรักภักดีด้วยความเต็มใจก็เป็นทุนทางเลือกขั้งสุดท้ายถ้าไม่มีอีกก็คงจะไม่มีแล้วมอบกายถวายตัวจะนั่งทำดีๆทำดีๆ แต่ใ จ, ใจก็อยากจะรู้รูปนามนะไว้ใจอยู่ที่นั่นส่วนอดีตอนาคตผมไม่มีเราว่าเป็นคนไม่ค่อยมีอดีตอนาคตนั่งทําก็ทําอย่างนั้นนะ่ะมันมีนิสัยอยู่ถ้าเล่นก็เล่นจริงๆขนาดเล่นผีกันอยู่ที่บ้านทำไมเป็นเด็กอายุาสองสามขวบเล่นผีหลอกกันนะ่ะน้องตัวเองแท้ๆไล่มึงเป็นผีกูเป็นคน ผีไล่คนโหต้องวิ่งยันที่ให้ตกบ้านวิ่งหล่นลงบ้านเลยวิ่งยังไงมันลืมวิ่งรอบชานเลยเลยเล่นถึงบ้านพังเลยผีหลอกต้องวิ่งหนีให้ได้ถ้าเล่นจะเล่นเหมือนแต่จริงจริงเด็กมันเล่นจริงบางทีเล่นนั่นน่ะเล่นฟ้องไฟนั่นเล่นจริงจเล่นไม่หิวข้าวละมันเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กๆเลย ไปโรงเรียนถ้าครูให้การบ้านมาทําไม่ได้ไม่กินข้าวครูมาถามคนอื่นคนอื่นไม่ต้องมาบอกเรื่องของผมผมทําเองผิดถูกก็เรื่องของผมขนาดนั้นเลยพร้มอยู่นั่นแหะจําได้วันหนึ่งค้ า, า, า, ายจัดสารน่ะมิชาจัดสารก็ตอบมาเอาไม้ไผ่มาจัดทำเป็นแบนๆหน้ากระสานกันสารันมีลายหนึ่งลายสองนะลายหนึ่งว่าลายขัดข้ามหนึ่งตกหนึ่งข้ามหนึ่งทับไปเรื่อยๆ ลายสองก็ยกสองข้ามสองไปเรื่อยๆวันนี้ก็ท ำ, ด, ำดั้มคนเลี้ยดอกอ่ะเออมึงดํ้มเขาเชืงหัวมึงทำขออย่งเป็ น, นถ้าเป็นแล้วเขจะเลา้าใหม่เล้าใหม่เราเคยให้คูดูแล้วก็เป็นการบ้าน่ะทุกคนต้องทํามาออถ้าจะทำบางคนก็ทําไม่ได้ก็ไปให้ที่ให้พ่อทําให้ก็ไปให้คูดูนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมมันก็มีความจริงใจและเต็มใจ คือหลวงพ่อว่าคนจริงต้องเจอของจริงคนหลอกหลอกรวงคนปลอมก็เจอแต่ของปลอมหาของจริงไม่เจอเลยนี่ทําไมมันกับบ้านเรามีแต่ของอะไรไม่รู้ของไม่จริงอ่ะค้นหาของจริงไม่เห็นเลยของหาของมีไม่ดีเลยมนกับบ้านของคนบ้าที่อยู่ของคนบ้าไปเห็นไหมบางคนเขาสะสม ม่รู้อะไรเละคุณบ้านะสะสมโมจเกะทั้งหมดเลยไม่ใช่ของจริงหรอกเป็นของอะไรเขาไม่รู้ในที่สุดเลยหาของดีไม่ได้เนื่อจของกี่ลายกี่ไม่ดีแต่นั้นการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องศึกษาทนจริงๆนะยกมือไปยกจริงๆทําไปนะเหนื่อยมากก็พักบ้างถ้ามันปวดแช่งปวดขาก็เปลี่ยนท่าถ้ามันปวดหัวก็พักก่อนบองทีเรา คิดมากมันก็ปวดหัวขึ้นสมองบางคนคิดมากลงกรนะเพาะนะขึ้นเหี้นอาจเจียนพุ่งความคิดของคนมันขึ้นสมองก็ได้ลงกระเพาะก็ได้แต่มาไป เ, เรียนมาเลเรียมาหกห้าปีมันลงกระเพาะไปเข้าไปตับอ่อนแน่นอเลยเนี่ยกินข้าวก็ไม่ได้กินอยู่ตลาดเลยไนมะ่คิดไม่หิวัเป็นโรคนิพพานเลยแต่น้ําหนักลดลงนะ ถอนกันโกลนผมที่นี่ไม่ได้เลยทําไมมันแวบเข้าไปเลยผมป่วยหนักๆที่เนี่ยที่นี่ก็โผลออกมากเล่ <laughs> นอยู่ห้าหกปีออย่างรุนแรงอย่างร้ายแรงเลยเบอร์สามเขาตะกุบปาจินบุรีหมอใส่หัวเลยเขาบอกไปจิตมาจากไหนลุงพี่โดยจิตมาจากทางปาจินบุรีเขาตะกุตรงช้างดงเสือ ระหว่างสน้ำชายเขียกกับวางน้ําเย็นต่อกันมีภูเขาใหญ่หลายลูกที่นั่นแล้วก็ไปติดกับปย์ทองปย์ทองก็เป็นเป็น เ, นเนช่นเดียรรักษาเหมือนกั น, นในสายหัวสนษานตายไปสั้างหัวมันมึงตายกจ่ายมึงตายแล้วกูไม่จายหรือตายด้วยกันก็ได้คิดว่าอย่างนั้นที่แรกที่ยิบเลยทุกวันวันละสามชั่วโมงห่างไปบางทีก็ ที่ก็ไปถ้าเย็บจากจัดนั่นมาหลายเดือนก็มาห่างออกมาห่างออกมาเรียกแต่หมอตรวจไม่เคยเจอเขาก็ใส่ยาแบบสูมๆไปแล้วก็มีเพื่อนหลายคนต่อายามาให้กินวีนินบ้างขงมก็อยากกินด้วยกินแล้วไม่เขาทานในที่สุดมันก็หายขึ้นมาเองที่มันหายไปอยู่จังหวัด จันบุรีไปอยู่จันบุรีไปอยู่อำเพอแหลมสิงห์ไปอยู่แล้วก็ได้อาหารทะเลผู้สึกมันอีมากเลยได้ทุเรียนเข้าไปมันร้อนเนี่ยพวกมาเลียกิยนมันความเย็นมันเยอะในที่สุดก็เลยอุ่นขึ้นมานี่ยทำไมมันฉันข้าวได้วะน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเดีวทำไมเป็นอย่างนี้เนอะก็เลยอยากอาบน้ำมาแล้วสองสามครั้งแต่ก่อนก็อยากอาบน้ำเลย มันไฟมันตกอ่ะธาติไฟมันทําลายเลือดเรามันถูกทําลายโดยมาลาเรียตอนนั้นอ่ะในที่ฤษฎีวันดีคืดหายเลยไม่ต้องค่ายเรื่องป่วยกับมันอีกเลยอ่าเป็นอย่างนั้นแต่นั้นการปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าใจมันก็ง่ายเดินโยงคมก็สนุกมันพอดีขึ้นมนสร้างจังหวะก็พอดีไม่ใชมลมดินตายค่อยเปลี่ยนค่อยไปใจเย็นสู้เสือ แต่รายก็เสียกิน <c oughs> ใจเย็นมันค่อยเป็นค่อยไปเดินไปเดินมาแต่ชาวบ้านก็แน่นอนแหละชาวบ้านก็มีโอกาสน้อยกว่าพระรมีโอกาสมากกว่าเพราะพระไม่ได้ทาไรทาสวนไม่มีลูกมีเมียไ ม, ม่ต้องมีงานรับผิดชอบอะไรเลยอย่างที่เราอยู่ท่านักเนี่ยโดนพลัรงรับผิดชอบไปอเรื่องดินถ้าบงถ้าบาดเข้าไม่เดือดร้อนรับเข้าไปตามโอกาสถึงเมื่อไปแล้วก็อยู่อย่างนี้ก็ปฏิบัติได้เลยเห็นไหม เป็นชาวบ้านล่และแต่คิดเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องค่าน้ํำค่าไฟค่าอาหารการกินพวงนี้จะกินอะไรในผู้เย็นจะมีอะไรไหมเนี่ยก็จะมีน้ํามันเติมไหมมันคิดไปหมดรับผิดชอบทั้งหมดแล้วก็ทะเลาะลกับบูกกับผัวกับเมียว่ากันไปเรื่อยๆหนันกอกหนักใจแล้วก็ป่วยจะกับใข้รัาากษาต่วแข่งเแต่พระเราก็เอมันสบายเนี่ยจะใไข้จะตายทุเรื่องของมัน รักษาก็ะไรไม่รักษาก็จําเป็นว่ามันเป็นไรเนี่ยมันความคิดมันต่างกันเลยพระพุทธเ จ, จ้ายังว่าโอกาสของนักบวชนี่ปฏิบัติได้มากกว่าชาวบ้านแต่ชาวบ้านก็มีอยู่แต่บางคนก็มีมากอยู่โอกาสปฏิบัติแต่ทังอย่างไรอย่างไรมันก็รับผิดชอบเัืงลูกเรื่องหลานเลยนะความคิดเน่ยดังนั้นอาตมาก็คิดว่าเป็นโชคดีเป็นโอกาสดีที่อาตมาได้มาเจอหลวงพ่อเทียนแล้วก็ได้มาปฏิบัติ มันก็ดีทุกอย่างนะจะเป็นพุทโธก็ดีดีดีดีจะเป็นครองหน้อยุบหนอก็ดีจะเป็นพระมาละหังก็ดีจะเป็นอาณาปานสติก็ดีถ้าทาแล้วดีเมื่อกอาหารทุกอย่างกินเข้าไปเถอะเป็นคุณเป็นค่าเป็นประโยชน์กับร่างกายแต่เรากินเป็นก็เป็นประโยชน์ถ้ากินไม่เป็นก็เป็นโทษเห่นั่นแหละ คิดไม่เป็ก็เป็นโทษการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติไม่เป็นมันก็เป็นโทษดาบสองคมพรหมจรรย์ น, นี่เป็นดาบสองคมถ้าปฏิบัติพรหมจรรย์ด้วยความศรัทธาจริงจังและจริงใจปฏิบัติไปตามโอกาสเวลาพรหมจรรย์ น, นั้นจะเกิดคุณเกิดค่าเกิดประโยชน์มากแต่ถ้าตรงกันข้ามเระปฏิบัติไม่เป็นทำไม่ถูกในที่สุดพระพุทธเจ้าเล ร, ระมาว่าเหมือนกับคนถอนยาคาหรืมยาคาเล่น คนเขไม่เคยเห็ยนยาคาเลยนะเขาจมาเคยเล่นจริงๆเล่นยาคา <c oughs> เคยโดนมันบาดเมื่อกี้ถอนยาคามามาทํามาหักฉีกติดหนึ่งแล้วก็เอามาพ้าที่มือเนี่ยแล้วก็ดึงส่วนหนึ่งมันติดขึ้ไปข้างบนนะมันจะต้องไปขึ้นงเงี้ยดึงชิดขึ้นไปบางคนก็ไปถอนไม่ได้ก็ทำไม่แน่นมั น, น, มนบาดมือเลือดออกบางทีแผลนี่เราก็เลือดออกเพราะเราดึงไม่เป็นเล็ดยาคา ทันเดียวกันถ้าประพฤติผู้มัจจย์ถ้าประพฤติทำทำไม่เป็นธรรมด์ จ, จะเจ็บอกเจ็บใจเจ็บหัวปวดท้องไปแหละแต่ถ้าทําเป็นก็เออสมันกินยาลกินเป็นก็เป็นคุณเป็นค่ากินยาไม่เป็น ก, ก็กินค่าเธอตายตายจริงๆนะปีนั้นอยู่วัดโมขันเจริญพระองค์หนึ่งเขก็เป็นลูกพี่บวชใหม่แต่แววระบบปัสสาทไม่ค่อปกติ พ่อแม่ก็อยากให้บวชนะแต่อย่างว่านะถุกคนไม่ดีลูกเต่าไม่ดีมมเมื่อเต่าถึงก็ดื้อด้านก็บอกเพืนไปบวชซะไอเ น, นี่ยมันจะดีสมบาบวชเมื่อบวชแล้วมันก็ไม่ดีในที่สุดการปฏิบัติมันก็ไม่เอาทํำยังไงหลงที่โหนึ่งก็วังดีก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคประสาทใสก็พอไปถึงแค่นั้นเ่งมันบกนะอกหมอเลยบอกพยาบาลเลยหลวงพี่โยนี้ไม่ดี ปกติตรงเที่เอวเนี่ยเป็นบ้าตรงที่องค์ที่เป็นเป็นคนนําไปก็เลยงงเลยเนี่ยไมบ้มา ก, กูเป็นบ้าแล้วตรงที่บอกเนี่ยก็คุณนั่นแหละไม่ปกติผมจะพาคุณมาหาหมอทั้งสองคนเนี่ยพวกหมอผบพยาบาลก็เล ย, เ, ย, ยนเนี่ยเปนยังไงกันแน่ตรงที่ทั้งสองลูปเนี่ยก็เลยถามก็เลยออกไปถามพลน้ำนมไปสอบสวสนพลน้ำนม ว่าใครจิบ้ากันแน่เลิกบ้าั้งสอนถ้าถามก็รู้เรื่องบางทีก็เออเอาคงเนี้ยไม่ปกติเขาก็บอกเข้าห้องตรวจเขาตรวจเช็กดูเขาไม่ปกติจริงๆเขาเลยเอ้าเอายาไปกินนะไปกินนะยาทุกสี่ห่อเลยมันยาลงยานอนหลับยาบารุงยาอะไรก็สี่ห่อเขาบอกเขาไปกิที่หมดนะอยาไปทิ้ง ถากิที่โลกจะไม่หายต้องกินให้หมดไม่กินให้หมดโลกจะหายเพราะเขาคิดว่าคนป่วยบางโรคบางคนไม่กินยาไม่ทำมาเนี่ยที่มันขมจะโยนทิ้งเลยเพื่อจะเป็นเด็กมาถ้าขมมันไม่เอาโยนทิ้หมอเขาทราบดีว่าคนป่วยบางคนไม่อยากกินยาเขาเลยบอกกินให้หมดนะแต่เขาเขียนไว้อยู่ว่าช่องแม่ทุมเนี่ยกินก่อนอาหารหลังอาหารเขเขียนให้หมด ขี่เม็ดขี่ไม่เขมกินไม่หมดล่ะวัดเหมือแล้วกับถ้มะะาม่พูดนะแต่หลวงพี่รง น, นี้ก็ลับอยู่แค่ประกอบในวัดหลวงพี่องค์ที่นำไปต้องไปอาบน้ำบับท่าหลงพี่มันก็อยู่อีกคุตรีหนึง่งในที่สุดกินหมดเลยจินหมดทุกสิ่งทุกนย่างเพื่อนรงนี้ก็มีรอบนั้ น, นะนมาแบบเพื่อนคนหนึ่งอะจะลักษณะอย่างนั้นจจกินยาทิ้งหมดแต่เช้าเลย แล้วเขาทําทนักไม่มาสดมงนแล้วก็ถือใจซื้อว่าแกคงไม่สบายใจคงยากอยู่คนเดียวแล้วก็เฉยทำเย็นมาก็ไม่มาทําล้วก็เฉยไปตอนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยท่านนั้นเหรไม่ใช่แข็งตัวแล้วเหรอไม่ใช่ตัวแข็งเลยเหรอไม่เห็นมาเห็นไปก็ไปดูแข็งจริงๆตายแล้วนับประตูเข้าไปก็หมดเลยตัวแข็งเลยในที่สุดก็ออกไปหาหมอ ก็าฟื้นคืคนตรงที่กินยาหมดนั่นไม่ฟื้นเลยเสร็จเลยไม่เผาเลยคือมันหายขาดเลย <c oughs> <c oughs> ก็กินไม่หมดบงกินไม่หมดบางจะหายแค่กินหมดก็หายพอดีไม่ต้อง ร, รักษาแล้วไม่เผาเลยในการปฏิบัติทำทุกเหมือนกันบางคนทําไม่เป็นทําไม่เป็นก็ทำนั่นแหะทําจนหัวเชิญฟ้าเลย พัฒนาอย่างนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่โทษหมอทโทษยานะโทษที่คนกินคําสั่งคําว่าสั่งชัดเจนอยู่เขียนไว้เขาทกลับไว้อยู่นะคนนั้นมันจําได้คําสั่งของหมอนี่ยอาจามาเราวออหรอกว่ากินให้หมดนัดคำนั้นน่ะมันจะจำได้ว่ากิน ห, หมดแล้วจะหายนะั่นแหละทามันดีมันจะจะหายกินหมดคุ้มคุ้มหายหายก็หายกินให้หมดอ่ะกินเข้าไปให้หมดกินแล้วก็นอนเลยนะเป็นอย่างนั้น อยงนั้นพเราปฏิบัติทำไม่ใช่เอเอาให้หมดทาให้หมดจากเนึ่งสี0 0ันเนี่ยเอาไมหมดในบางคนเราปฏิบัติทำกับหลวงพเทียนสม่ไหนเราปฏิบัติทำอยู่วัฒนธมไหนเขาบอว่าให้รู้ตัวชั่วพ ร, ร้อมไมรู้เลยเขากาหนดตาหูมูกตัวแข็งเลยัตรงที่หนึง่งจะสอบอารมณ์อขาเขาเขาลงที่บอกพวกผมกาหนดหมดเนี่ย กำหนดทั้งแขงทั้งขาทั้งตาทั้งหูงหมันก็เลยกำหนดไปก็เลยแข็งตัวไปเลยเพ่งจ้องลักษณะอย่างนั้นค่อยๆใจคำพูดผิดอาทําค่อยๆตลอดนา น, น, านๆครั้งจะรู้ไปหมดหมดนะรู้ตารู้หูรู้เคลื่อนรู้ไหวรู้ปวดแาะปว ด, ปวดาเราู้หมดหายใจก็รู้เป็นอย่างนั้นไป่านั้นการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ของยากเก็นเกินไปไม่ใช่ของง่ายเกินไป ของผลิตพอดีพอเป็นพอไปแต่ถ้าฝึกดีๆก็เป็นได้ทุกคนถ้าฝึกไม่ดีก็เป็นไม่ได้สักคนเลยฝึกดีฝึกยังไงฝึกให้มีสติกำหนดมีข้อสังเกตสังการนะตาทำมาเป็นคนที่ไม่ใช่ยอตัวเองนะ